ธรรมะหมวดนี้ท่านแสดงว่านักบวชก็ตามครหัสก็ตามยิ้งก็ตามชายก็ตามควรปฏิบัติควรศึกษาควรพิจารณาทุกวันทุกวัน ธรรมหมดนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฏิบัติร่วมกันเหมาะสมทั้งนักบวชเหมาะสมทั้งคารวาเหมาะสมทั้งหญิงทั้งชายทุกคนธรรมะหมวดนี่เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงเอาธรรมะหมวดนี้มาพาเราศึกษาและปฏิบัติ เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความสุขทำหมดนี้ไม่ใช่อื่นไกลที่เราทาั้งหลายสวดอยู่จำได้ทุกทุกคนเรีย่อพินหาปัจจเวคคณะ ม, มีอยู่ห้าประการด้วยกันยาขนาดนี้ถ้าเมื่อเปรียบเหมือนอยาแล้วก็เอา วัตถุห้าอย่างออมาปรุงรวมกันสามารถบำบัดโรคได้ห้าอย่างนั่นคืออะไรบ้างให้เราทั้งหลายพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะโลงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราเรียกว่าชาราธรรมมณีชรังอนัตตโตที่เราสวด อันนี้ทำไมพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พิจารณาทั้งพระและทั้งโยมทั้งหญิงทั้งชายทั้งกระหกและนักบวชท่านว่าก็ไ ป, ปจิตแตนนวาขระหแทนนาวาอิทเทยวาอะริแทนาวาทั้งนักบวช ทั้งคารหทั้งหญิงทั้งชายอภินหังปั จ, จเวกคิตบังตป็นลายพิจารณาประโยูนเสมอเป็นหนึ่งนิดการพิจารณาเห็นความชมํารุดสุดโสมความไม่แน่นอนของชีวิตร่างกายอันนี้มีประโยชน์มากแต่ละบางคนไม่ชอบพินิษพิจารณา เพราะไม่มองเห็นประโยชน์แต่พระพุทธเจ้าพราะองค์มองเห็นประโยชน์ประโยชน์นั้นคือเกิดความรู้ตัวขึ้นมาเมื่อเราเห็นชัดในจิตใจอันนี้เลยเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทเราจะเป็นผู้ศึกษาเตรียมพร้อมคุณสมบัติเกิดขึ้นจากเราเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ย มันค้ำค่าสุดซมไม่ใช่อยู่อย่างนี้เสมอไปเราจะได้เตรียมกิจอันใดที่มีประโยชน์งานอันใดที่เราจะต้องทำก็จะได้เป็นผู้ไม่มัวเมางประมาทหลงหลืมเข้าใจผิดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงเป็นสัตรูธรรม ไม่ใจพูดลอยลอยแต่เรากลับมาดูชีวิตร่างกายของเราแล้วมันหมดไปจริงจรล่วงไปล่วงไปทุกวันทุกเวลาจริงๆริไม่ใช่ล่วงไปแต่ชีวิตอย่างเดียวสิ่งที่เราหามามันก็หมดไปด้วย ได้เท่าไรก็หมดไปหมดไปเช่นเดียวกั น, นเพราะฉะนั้นที่เราได้เรียนมาแล้วศึกษามาแล้วสวดแล้วยังเอามาใช้การปฏิบัติหยิบยกข้อนนี้ขึ้นมาพิจารณาใส่ใจตัวของเรา จะทำให้เราเป็นผู้มีความสงบเป็นผู้มีความสํารวมเป็นผู้มีการปฏิบัติเรียบร้อยถ้าเราได้ปฏิบัติเป็นผู้ไม่ประมาทถึงแม้ว่าจะหมดไปก็หมดไปด้วยความดีอ น, นั้นเมื่อเราระลึกขึ้นมาแล้วเราก็มีความดีใจในปัจจุบันเพราะสิ่งที่หมดไปลวดที่เราได้ปฏิบัติ สร้างความดีสร้างคุณประโยชน์มานี่แม้ในปัจจุบันเองเราก็ได้ความดีใจเพราะเราไม่ประมาทเราได้ทำกิจที่ควรทำที่บัณฑิตทั้งหลายยกย่องสเสดงมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพร้อมยกย่องบุคคลไม่ประมาท มีความพอใจในการที่จะละความชั่วมีฉันทะความพอใจที่จะเจริญความดีเพื่อให้บังเกิดมีเป็นคุณสมบัติในตัวของเราถํามองดูการกระทาเรียกว่ากายกรรมเราก็ได้ทำความดีด้วยกายถ้าพูดถึงว่าวจีกรรม คำพูดที่เราใช้ออกมาแต่ละครั้งละคาแเราก็ใช้คำพูดที่เป็นประโยชน์เป็นคำพูดที่แบบสุภาษิตเป็นคำสัจเป็นความจริงคำเหล่านั้นมีประโยชน์ด้วยแก่เราผู้โพูดและแก่บุคคลผู้ได้ยินได้ฟังแม้จิตใจเราน้อมนึกระลึก ในเรื่องกุศลเราพยายามนอมนึกระลึ ก, ลกตรวจตราในเรื่องเราที่จะละสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ที่เรายังละไม่ได้สิ่งใดที่เราได้ละได้แล้วเราก็พิจารณาเราไม่กลับมาทำอีกเอาไม่คิดอีก เพราะฉะนั้นการพิจารณาเห็นความชำรุดสุดโทรมเกชราจึงมีประโยชน์แล้วมาเห็นข้อที่สองทนักพิจารณาถึงความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็เพื่อบำรุงความไม่ประมาทนั่นเองไม่ประมาท ในความไม่มีโรคไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการยืนเดินนั่งนอนตลอดถึงการบริโภคการดื่ม เ, ออเมื่อเราเห็น พยาธิความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเวลาไหนก็ได้เกิดขึ้นตรงไหนในร่างกายของเราก็ได้ย่อมเกิดขึ้นได้โรคมีทุกชนิดในร่างกายมีผมก็มีโรคมีขนก็มีโรคมีเล็บก็มีโรคมีฟันก็มีโรคย่อมเกิดขึ้นได้ มีหนังก็มีโรคมีเนื้อก็มีโรคมีกระดูกก็มีโรคมีเส้นเอ็นก็มีโรคดูเรื่องของโรคดูหมอก็ยังเรียนไม่จบเพราะมันมีอยู่ตลอดเวลา เรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เป็นผู้ไม่ประมาทรู้จักรักษากายรักษาตัวของเราเพื่อให้มีโรคน้อยเพื่อจะได้อยู่เป็นสุขตรวจพิจารณาเวลาไม่สบายของอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้รู้ไม่จากอะไรแก้ไขอย่างไรถ้าเราตรวจตัวเอง รู้จักรักษาตัวเองเข้าใจตัวเองมีโรคไปจำเราแก้ไขไปจำตัวของเราแ ก, แก้ได้ทันเราไม่ปล่อยมีประโยชน์มากทีเดียวแต่เราที่เจรณาและลึกถึงความตายมรณามรณะทรมมเห้มรณะงานนาติโต อิทธิยาวาปริเสนาวะกระหัตเทนาวาปะปเพจิเตนวะอภินทังปัจเวกคิดตะบักเหมือกันว่าอิทธผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามนักบวชก็ตามครหัสก็ตามควรพิจารณา พิจารณาเราจะต้องพลาดพลาดจากของรักของชอบใจในข้อเทเซ่เรามีสิ่งใดไว้สิ่งหล่อนันหมดไปเหมือนกับสังขารร่างกายของเราไม่ใช่เป็นของมั่นคงถาวรเมื่อเราพิจารณาเห็นชัด เกิดปัญญาสมาทิฐิมีความเห็นชอบเป็นองค์มรรคเมื่อได้ปัญญาความเห็นชอบแล้วการปฏิบัติชอบเป็นของที่ง่ายเป็นของสะดวกสบายสําหรับบุคคลผู้มีปัญญาเห็นอันถูกต้องเห็นดีทําความดีได้ง่ายแต่การทําความไม่ดีทําความผิดทําได้ยาก เพราะเมื่อผู้คนผู้มีความเห็นชอบและเห็นในทางที่ผิดก็ยอมรู้เห็นเช่นเดียวกันเพราะมารู้ทั้งเห็นเห็นทั้งสองอย่างทั้งความถูกและทั้งความผิดเห็นว่าความถูกในควรละเด็ดขาดเพราะจะต้องให้ผลในทางที่ทุกแน่นอนเพราะทางผิดมันเป็นอย่างนั้นเพราะความถูกจึงเป็นจะต้องปฏิบัติ เพราะให้ผลมีความสุขแน่นอนเขียนชัดสิ้นสงสัยเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นชอบก็ย่อมเป็นเหตุให้มีความดำริชอบ mm. ในธรรมจกกักรประวัติาสตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทา เพราะเราได้อบรมจากปลีกย่อยมารวมจนให้เกิดเป็นสัมมาทิฐิความเห็นชอบอ่อบรมรวบรวมความสติปัญญาจากเห็นอัตภาพร่างกายของเราดังกล่าวมาแล้วตังแต่ชราธรรม ม, มหิชรังอนัตติโตพยธิธรรม ม, มหิพยธิงอนัตติโต มรณะธรรมมหิหิมรนังอนัสิตโตสะเบหิมเมพเยหินานาพาโววินาพาโวให้ยมแปลเอาเองเพราะได้เรียนแล้วกรรมัจจกมมิในข้อที่ห้าว่าทั้งหลายเป็นไปตามกรรมใครทำดียอมได้ดีทำชั่วยอมไนชั่วในสรุปแล้วมีกรรมดีกรรมชั่ว เรียกว่ามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนี่แต่ละอย่างละอย่างเราพิจารณาให้เข้าใจสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเราก็สามารถตรวจตัวเราเองเราได้ความสุขเราก็ตรวจตัวเราเองว่าได้เพราะการรมดีของเรา เราได้ความสุขมากก็ここเราได้ทำความดีไวมากเราได้ความสุขน้อยเราก็ทำความดีไว้น้อยเราได้ความทุกมากเราก็ทำสิ่งที่ไม่ดีไว้มากเราเก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้ในใจมากเราไม่ยอมสละเราไม่ยอมทิ้งเราก็ได้ทุกมากแต่เราสละสิ่งที่ไม่ไม่ดีให้หมดไปแต่สิ่ง ทุกกระเย่าหมดไปพระอยู่ที่การกระทำของเราทุกอย่างไม่ใช่คนอื่นดนบรรดาลนี่แหละเราเริ่มใสในพระพุทธศาสนาเพราะเราสามารถช่วยตัวเราเองได้คําสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้คนอื่นมาแก้ไม่ใช่คนอื่นอ้อนวอนให้คนอื่นมาช่วยเหมือนกับศาสนาอื่นแต่เขาไม่ช่วยแล้วก็พึ่งตัวเองไม่ได้เลย เราพึ่งสิ่งอื่นอย่งฝ่ายเดียวแต่คําสอนพระพุทธเจ้าต้นเป็นที่พึ่งของตนเราพึ่งตัวเองได้นี่อบรมจิตใจของเราให้เห็นตรงเห็นถูกต้องให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นทางออกจากพวกะอะไรเป็นอริยะมรรคอย่างประเสริฐมันก็ได้จากสิ่งเหล่านี้แหละ ที่เรามาพาณนาะปฏิบัติต่างสมความรูเ้เมื่อรู้รวบรวมเป็นกำลังแล้วก็ทำให้เราเบื่อหน่ายในสิ่งที่เบื่อหน่ายจริงๆแต่เราพิจารณาดูแล้วเพราะมีแต่หมดไปมีแต่สิ้นไปเหนื่อยยากหามาได้ทนก็ไม่เห็นอะไรปรากฏขึ้นมาพ้นสุดเปรียบเหมือนไฟมันไหม้ขอนแต่ก่อนขอนก็ใหญ่หนักใครงัดยกขึ้นคนสองคนไม่ไหว แต่เมื่อติดไฟมันติดขึ้นมาแล้วหมดไปหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยอพอหมดคอนก็หมดไฟก็หมดแทนที่จะคอนหมดแล้วก็ไฟยังเหลืออยู่ก็ ย, ยังชั่วมันก็หมดไปโดยกันไม่มีไฟก็ไม่ได้อะไรคอนก็ไม่มีอะไร ชีวิตเราที่อาศัยขันอาศัยอัตภาพร่างกายทั้งความสุขทั้งชีวิต ท, ทั้งทรัพย์สมบัติผลที่สุดนั้นก็หมดไปด้วยกันไม่มีใครเป็นเจ้าของเราจะว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เพราะมันหมดไปด้วยกันทั้งหมดแต่ถ้าเราหล ง, ง น, นั่นกับของเราอันนี้ก็ของเรา กายกัเป็นของเราแขนก็เป็นของเราขาก็เป็นของเราตลอดถึงทรัพย์สมบัติอีกก็เป็นของเราเป็นเราทั้งหมดลูกหลานเป็นเราที่นาที่สวนบ้านช่องเป็นของเราหมดแต่เราพิจารณาตามหลักทำความจริงเราไม่ทราบว่าเราอยู่ตรงไหน ถ้าเราดูเราไม่เห็นก็ดูแต่ปู่่าตายายของเราเสืบอมสายมาไม่สักกี่ชั่วบุบคคลแล้วที่หมดไปหมดไปเราก็ชาราไปตามเขาไปทุกวันทุกวันมันทยอยไปตามเขาไปคนที่เกิดมาใหม่ก็หมนอยู่ยนั่นก็ลองนึกไว้เขาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเป็นเจ้าของสิ่งนี้แต่พ้นที่สุดไม่มีใครเป็นเจ้าของ เราได้อะไรถ้าเราปฏิบัติธรรมถ้าเราอบรมจิตใจให้ฉลาดในทางธรรมเราได้ความอิ่มใจเพราะเรามารู้ความจริงแล้วมาดำเนินการปฏิบัติรักษาจิตใจของเราให้ผ่องใสให้สะอาดให้สงบ ดีกว่าไม่รู้อะไรเสียเลยมัวเมาให้หลงอยู่ตลอดไปแล้วสิ้นชีวิตเพราะความไม่รู้นะ่ะมันเสียเปรียบโดยไม่รู้อะไรเลยเกิดมาก็ไม่รู้ตายไปก็ไม่รู้เรียกสมมตมะปรายโนมมาก็มืดไปก็มืดส่วนพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าบันดิตทั้งหลายถึงแม้ว่าอาดีต ที่ผ่านมาอยากแล้วอย่างไรก็ตามแต่ขอให้ไปเจริญเรียกว่าตามโมชติปะรายานถึงแม้ว่ามามืดก็ตามขอให้ไปสว่างธรามสว่างไปสว่างก็ยิ่งดี มาสว่างก็คืออะไรคือมารู้ตัวมารู้ความจริงแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทได้ทํากิจที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในปัจฉิมโอวาะจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านหถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทเถอดนี่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลาย การปฏิบัติให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีก็เพื่อรวบรวมความฉลาดจากการประพฤติการกระทานี่เองเรียกว่ากุศลเป็นพลังจิตใจของเราให้เราเป็นแสงสว่างให้เราได้ส่องทางเป็นพลังให้เราได้ดำเนินตามทางให้ตลอดรอดฝัก ด้วยการประพฤติการกระทาอันชอบถึงแม้ว่าจะได้รับความเหนื่อยความละบากกระทบกระเทือนอยู่บ้างแต่เราไม่ได้ถือว่าทุกเพราะการปฏิบัติความเหนื่อยก็ดีความทุกข์มันเชื่อมันเป็นทุกข์ภายในวัตตะสงสารเพราะเหตุใด ถ้าเราเปรียบเทียบดูแล้วคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเขามีความสุขกว่าเราเหรือนะมอพิจนารณาแล้วก็มีความถึงข้าวเจ็บมันก็เจ็บเหมือนกันถึงข้าวแก่ก็แก่เหมือนกันถึงข้าวตายก็ตายเหมือนกันบางทีอาจจะเศร้ามองกว่าผู้ประพฤติปฏิบัติดยช่ร้ไปเพราะไม่มีอุบายที่จะแก้ ไม่มีอุบายที่จะทำให้จิตเบิกบานให้เกิดความผ่องใสในตัวของเราเองวนผู้ปฏิบัติมีโอกาสที่จะทำจิตใจให้เบิกบานให้ผ่องใสเพราะมาลึกถึงความดีของเราเพราะมีความฉลาดสามารถลบเลิกสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ทำแต่ความดีให้เกิดทองใสในจิตในใจนะเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติมีกำไรชีวิตกว่าขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้มีโชคดีที่ได้มีศรัทธาตั้งใจศึกษาปฏิบัติ ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเราเราทำไวแล้วเราละลึกได้รู้ได้เห็นได้คุณสมบัติและความดีของเราที่เรากระทำไม่สูญเปล่าคนที่ว่าสูญเปล่าก็เพราะความไม่รู้เพราะความมืดนั่นเอง มาปฏิบัติภาวนาไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นมีอะไรเขาไม่เห็นจริงๆอ่ะเพราะเขาไม่มีเครื่องส่องให้ให้เขาเห็นไม่มีท ร, รมาจากสุขเพื่อดวงตาในทางธรรมเพราะเขาไม่ได้ศึกษาธรรมเขาจะมีแสงสว่างในทางธรรมทางจิตใจทางธรรมได้อย่างไร เราปฏิบัติเรารูปของเราเรารูปการกระทาของเราเราเห็นการกระทาของเราตลอดเวลาเราทำดีตลอดเวลาเราจะไม่รู้หรือเมื่อเราลึกถึงความดีแล้วก็เกิดความอิ่มใจเกิดความพลอยใจเราต้องการความสงบก็ไม่มีอุปสรรคขัดข้องถ้าเราเห็นความดีของเราที่ปฏิบัติแท้ชัด เกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความสงบใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้อบรมจิตใจของเราให้มีความเห็นชอบเห็นตรงถูกต้องแล้วเราก็จะได้ดําริชอบเมื่อดําริชอบแล้วเวลาจะกระทําการงานทางกายก็ต้องกระทําชอบ เวลาจะพูดทางวายจา ก, ก็ต้องพูดชอบเลือกพูดรู้จักเลือกรู้จักเพราะเราลูกเหตุลูกผลการพูดเป็นเหตุผลที่จะได้รับจากการพูดจากการปฏิบัติก็ได้ความสุขได้ความไม่มีเวรไม่มีภัยได้ความผ่องใสในจิตในใจ เพราะปัญญาเป็นผู้เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆแม่การเลี้ยงชีวิตก็เลี้ยงชีวิตที่ชอบที่ดีเราไม่เลี้ยงชีวิตที่ชั่วๆเพราะเราไม่ชอบสิ่งไหนสิบพระพุทธเจ้าท่านว่าผิดแต่เราเชื่อเราคารบเพราะเราปัญญาของเราพิจารณาเห็นด้วยตามพระองค์ไม่ขัดข้านพระองค์ไม่ขัดแยง้งแม้แต่น้อยพระองค์ เห็นอย่างไรว่าอย่างไรในธรรมที่พระองค์แสดงไว้เราเราเห็นด้วยจิตยอมรับปฏิบัติตามไม่ขัดแล้วมีกำลังสามารถทำตามได้ด้วยเพราะศรัทธาเพราะความเห็นความจริงเพราะปัญญาทำให้เรามีศรัทธาถ้าปัญญา ยังไม่เกิดนะความเริ่มใส่ก็ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นยิ่งปฏิบัติอบรมให้มีปัญญาที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราแจ่มชัดเท่าไหร่แล้วศรัทธาความเชื่อมั่นก็ย่อมเป็นกำลังจิตใจให้เราได้ปฏิบัติรุกหน้าไม่มีการถอยใช่ไหมอุปสรรคจะเกิดขึ้นเราก็ตีแตก ทำลายอุปสรรคเหล่านั้นบุกเบิกไปจนทะลุลุล่วงไปได้แม้แต่จะเป็นภูเขาก็มีใช้ระเบิดหินจนทะลุไปได้กำลังศรัทธากาลังความเพียรพยายามเมื่อศรัทธามีแล้วก็มีความเพียรเมื่อความเพียรมีแล้วก็มีความตั้งใจมีสติ รวบรวมสติรวบรวมความแน่วแน่สมาธิรวบรวมปัญญาเพื่อให้ได้ถึงจุดหมายปลายทางให้สําเร็จเมื่อได้สําเร็จแล้วนั่นอุปสรรคใดๆก็ได้ความสะดวกทุกอย่างเมื่อสําเร็จแล้วเมื่อจบแล้วเมื่อถึงสุดยอดแล้ว เพราะฉะนั้นเราทางหลายทำสี่อย่างนี่เราควรพิจารณาอยู่เสมอเพราะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดส ม, มาธิทิความเห็นชอบจะได้ดาริชอบจะได้ทําการงานชอบจะได้พูดกว่าชอบเรียนเทียก็ชอ บ, เ, เ, พชอบเพียรพยายามชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบเมื่อเราทำสมบูรณ์บริบูรณ์ ด้วยมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดแล้วทันหวาภิญญายะย่อมรู้ยิ่งย่อมตรัสรู้ย่อมพ้นทุกข์ข้าพภคข้าชาติได้ถึงซึ่งความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของหนักเป็นของเหลือวิสัยถ้าเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระาวจะได้ ใดที่สอนทำที่คนรู้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นภาษาสดาไม่ใช่เป็นสวะทำของภาษาสดานั้นไม่เป็นสวะขาตกภาษาสดาใดสอนทำเป็นทำที่แท้จริงด้วยเป็นทำที่คนฟังเข้าใจด้วยและสามารถจะนำทำนั้นปฏิบัติได้ด้วยเหมาะสม ตามสติกำลังปฏิบัติได้ทุกคนจึงเป็นสวากขาโตพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคหรือพระศาสดาองค์นั้นได้กล่าวดีแล้วจึงได้สำเร็จประโยชน์เมื่อทำหล่านั้น ด, ดีแต่คนไปปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้มันไม่สาเร็จประโยชน์จะดีอย่างไรได้เมื่อสำเร็จประโยชน์ได้ความสุขจริงเพราะฉะนั้น เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ทรงประกาศแล้วจึงมีพระอาหารหันต์อรหันหรือโสดาสกษษษาาิทาคาอนาคาอาหารอาหันอรหัน์มีบริษัทสี่เกิดขึ้นในโลกเป็นจำนวนมากเพราะสวากขาตธรรมที่พระองค์ได้กล่าวดีแล้วประกอบไปด้วยประโยชน์ผู้ปฏิบัติตามได้รู่นไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัย เหมือนกับเราทั้งหลายปัจจุบันถ้าเราตรองดูแลเข้าใจได้นะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเข้าใจไม่ได้ถ้าเรามาตรองดูพิจารณาดูเท่น พ, พระองค์สแสดงบอกเหมือนอภินหะปฏิเวกขณะเราพิจารณาแล้วเชื่อได้นะลราเพราะประความจริงเรายอมรับซึ่งแม้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดกีก็จริงแต่เมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีแล้วมันก็มีประโยชน์ เราจะได้ไม่ประมาทไม่ใช่ว่าการแก่การเจ็บการตายการพลาดพาดจากของรักของชอบเนี่ยไม่ใช่เป็นของดีล้วนแต่เป็นของไม่ดีทำไมจึงศึกษารู้เพื่อรู้สิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็จะได้ตัดออกอย่างเด็กคาะเราจะได้ทำแต่ความดีสิ่งที่ดีที่พระพุทธเจ้าสอนเระ ก็สินสมาธิปัญญาสมาติสมาสังกับโกเป็นปัญญาสมาวาจาสมากรรมโตสมาอาชโวเป็นสินสมาวาญโมสมาสติสมาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิรวมกันนะรวมย่อก็คือศินสมาธิปัญญาแล้วมาอปรมสามอย่าง ศีกขาสามอย่างแล้วก็มาอบรมกายวาจาใจสามอย่างอของสามอย่างมาอบรมกายวาจาใจสามอย่างเมื่อกายวาจาใจอบรมสะอาดบริสุทธิ์แล้วนั่นผลคือความสงบความบริสุทธิ์คือความสุขนั่นเองเพาเหตุนั้นเราทั้งหลายควรภูมิใจ ไม่ควรดูถูกดูแคลนเราเราได้สมบัติเรียกว่ามนุษย์สมบัติอันล้ำค่าแล้วเครื่องมือใช้ได้อย่างดีพระอริยะทั้งหลายก็ใช้เครื่องมื อ, อ น, นี้เราก็ไดเ้เราจะว่าเครื่องมือของพระอริยะก็ไม่ผิดอย่าไปทุกข์ใจตัวเองเสียใจตัวเองลงโทษตัวเองโดยไม่ใช้ สติปัญญาพิจารณาให้เกิดคุณประโยชน์ในตัวของเราเองเพื่อประกอบประพฤติทำอย่างเต็มที่ตามเราทั้งหลายต้องการเพราะฉะนั้นในปีนี้ตามโบราณธรรมเนียมประเพณีแต่ก่อนท่านนัดหมายกันตั้งสัจจะอธิษฐานบำเพ็ญกุศลต่างๆใครจะทำอย่างไรก็เลือกเอาให้เหมาะสมที่เราจะทำได้ในในไตรมาสสามเดือน ยาดโยงกว่าอธิษฐานได้จากคนที่เรามีอะไรพอทําบุญให้ทานเราก็เรียกว่าเราจะทําทานสิ่ น, นั่นสิ่ น, นั่นจะทําอย่างนั้นจากอย่างใดอย่างหนึ่งจะตลอดไปเลิกกาหนดวันเลิกกาหนดทุกวันเลิกกาหนดเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนอถ้าเรารักษาศินห้าไม่สมบูรณ์เราก็อธิษฐา น, น่เป็นนี่ อธิษฐานวัาจะรักษาสินหายสมบูรณ์ไม่ให้เศ้าหมองตอนเนื่องการใช้เต็มบริบ์เ ร, รือจออธิษฐานเรารักษาอบอถศิลป์นในวันที่เราก็ว่างไม่ได้ไปทางานเรามีว่างกี่วันรักษาตลอดใจมากสามเดือนเพือเราจะอธิษฐาน ก็จะนั่งสมาธิทุกคืนวันละถอนั่นชั่ ว, วโมงทั้งเช้าทั้งเย็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่เราเลือกว่าสิ่งใดที่จะเป็นขอ้อวัดปฏิบัติอันดีงามเราก็เลือกอธิษฐานตั้งสัจจะหรือใครจะอธิษฐานไม่โกรธไป่ิ่งดีนะใครจะพูดอย่างไรแต่มีสติรักษาสมรวมไม่โกรธ เราจะปฏิบัติภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่เราเลือกเอาเป้นกําไรถ้าเราเลือกแล้วรักษาได้ตลอดเราก็จะได้เป็นที่ระลึกเป็นอนุสร์เกิดความดีใจขึ้นมาสุขใจอยู่ตลอดไปเป็นภาวนาใหม่กุศลระลึกถึงความดีทุกอย่างเป็นภาวนาให ม, าามนะนะนะ่กุศลจ็นทรานาใหม่นะกเป็นภาวนาใหม่ได้ระลึกจากานุสติ เสลานุสติพุทธานุสติธรรมานุสติเรื่องพระพุทธประธรรมประสอ์เทวตานุสติเรือถึงคุณนนธรรมที่จะว่าเทวดาทั้าทางหลายที่ได้จบเพราะาท่านมีศีลภาวนามีกุศลนี่เองเมื่อไม่ได้